เจ้าทุกรายต่อมาเป็นคู่สามีภรรยาวัยสี่สิบเศษใบหน้าของบุคคลทั้งสองดูหมดอะไรตายอยากในชีวิตกราบท่านพระครูแล้วคนเป็นเมียก็เอ่ยขึ้นว่าลุงพ่อช่วยทิดบวกขอด้วยเถิดจ้าช่วยอีกแล้วแม้ใครใครมาก็จะให้ช่วยทั้งนั้นไม่มีสักรายที่จะมาบอกว่า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 โยมีอะไรก็ว่าไปเลยอาตมาช่วยได้ก็จะช่วยแกเล่าสิเล่าให้ท่านฟังคนเป็นเมียบอกตาผัวแกเล่าแหละดีแล้วข้าใจขอไม่ดีเราไม่ถูกตาผัวว่ามัวเกี่ยงกันอยู่นั่นแหละเอาละใครเป็นต้นเหตุของเรื่องก็ให้คนนั้นเล่า ท่านพระครูตัดสินทิ่บวชจะหลงพ่อแต่นี่แหละเป็นตัวต้นเหตุทำให้พี่น้องลูกหลานชั้นพลอยเดือดร้อนไปหมดคนเป็นเมียถือโอกาสฟ้องเอางั้นโยมบวกก็เล่าไปว่าต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงนายบวกจึงเล่าว่าคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมถูกใส่ร้ายว่าไปเผาไร่เขาคือผมมีอาชีพทาได้ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมก็ไปเผาไร่เผาเสร็จผมก็ตรวจตราดูจนเห็นไฟดับเรียบร้อยแล้วจึงกลับบ้านพักใหญ่ๆไร่อ้อยที่ติดกับไร่ผมถูกไฟไหม้ผมก็ไปช่วยเขาดับแต่ช่วยไม่ไหวเพราะไฟมันลามมาทุกทิศเลยในที่สุดมันก็ไหม้หมดทั้งแปลงเลยครับแล้วยังไงเราไปช่วยเขาดับก็ดีแล้วนี่นะครับ แต่เขามาโทษครับมาโทษว่าไฟจากไร่ผมลามไปไหม้ไร่เขามีพยานรู้เห็นหลายคนเขามาบอกผมว่าไฟมันไหม้มาจากทิศทางที่ตรงกันข้ามกับไร่ผมเจ้าของเข้เจตนาเผาไร่ตัวเองและโยนความผิดมาให้ผมเรื่องนี้จำเป็นต้องใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบจะได้รู้ว่าใครผิดใครถูกกันแน่อ้าวนี่โยมไปทาให้เขาโกรธนี่ เขาก็เลยใส่ร้ายเอาน่ะสิทำให้เขาโกรธยังไงครับในบวบไม่เข้าใจก็เขาเจต น, นาจะเผาไร่เพื่อเอาเงินค่าประกันแล้วโยงอุทสาบไปดับของเขาเขาก็โกรธนะสิเรื่องมันยุ่งเส้นแล้วละ่ะครับยุ่งมากเลยครับเพราะเขากล่าวหาเขาก็เขียนหนังสือขึ้นฉบับหนึ่งให้ผมเซ็นรับว่าเป็นคนเผาไร่เขาจริง และเขาเรียกค่าเสียหายสองมืนบาทแล้วโยมก็เซ็นให้เข้าไปเรียบร้อยครับแม้ฉลาดจริงๆฉลาดในการหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ตัวเองและลูกเมียนั่นสิจ้าหลวงพ่อผัวฉันมันฉลาดยังกับควายนี่ไม่ได้หาเรื่องเดือดร้อนมาให้ลูกเมียเท่านั้นพี่น้องฉันก็พลอยเดือดร้อนไปด้วยเขาจับไปค้งคุกไว้คืนหนึ่ง หลานฉันต้องเอาที่ดินไปประกันถึงได้ออกมานั่งอยู่ที่นี่ได้นางบัวผันพูดอย่างข้างแขนแขนทั้งฝ่ายโจดทั้งฝ่ายจำเลยคือผัวตัวดีนั่นแหละหลวงพ่อพอจะมีทางช่วยผมบ้างไหมครับนี่เขาก็ฟ้องทั้งทางอาญาและทางแพ่งผมไม่อยากติดคุกเลยแค่ไปอยู่ในห้องขังคืนเดียวผมยิ่งแทบบ้า แล้วพวกพยานเขาทำไมไม่มาเป็นพยานให้เขาไม่กล้าครับเพราะเจ้าของไร่เป็นคนมีอิทธิพลไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานให้ผมหรอกครับงั้นก็เห็นจะลําบากเส้นแล้วได้ยินท่านพูดนายบวบถึงกับน้ำตาตกลุงพ่อไม่มีทางช่วยผมเลยหรือครับเขาอ้อนวอนเสียงเครือหนักใจ เรื่องนี้อาตมาหนักใจจริงๆก็โยมไปโกไว้เซนเนั่นแล้วจะมาให้อาตมาแก้เรียนโกแล้วก็ควรจะเรียนแก้ด้วยตัวเองมันถึงจะถูกท่านเจ้าของกุฏิพูดอย่างอ่อนใจลุงพ่อกรุณาผมด้วยเถึกครับจใจผมทำอะไรผมยอมทั้งนั้นขออย่างเดียว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 นี่ก็เริ่มไถแล้วพอฝนลงก็จะหยอดข้าวโพดสามีนางโบผันว่าท่านพระครูรู้สึกสมเพศ เ, เวทนาบุรุษตรงหน้าเสนักจึงถามเขาว่าแล้วถ้า ย, ยมไปติดคุกละ่ะโยมจะมีโอกาสมาทำไรไหมอาตมาขอถามหน่อยเถอะไม่มีครับผมถึงมาขอความเมตตาหลวงพ่อให้ช่วยไงครับโปรดช่วยอย่าให้ผมต้องติดคุกเลย คนที่เมียยกย่องว่าฉลาดเหมือนควายชี้แจงโยมท่านเจ้าของกุฏิเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แสนสุดจระอาทำกรรมแทนกันไม่ได้หรอกนะแล้วรับผลแทนกันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเรื่องนี้โยมเป็นคนทำขึ้นโยมก็ต้องรับผลนี่อาตมา ก็เสนอแนวทางที่ดีที่สุดให้แล้วถ้าโยมทำไม่ได้อาตมารับรองว่าติดคุกแน่เลือกเอาก็แล้วกันว่าระวางติดคุกกับเข้ากรรมฐานโยมจะเลือกอย่างไหนเลือกมาเข้ากรรมฐานครับคนตอบไม่รังรอเข็ดเซนักกับการนอนในคุกลุงพ่อครับ ทำไมผมถึงเช่าร้ายอย่างนี้ครับผมหากินในทางสุดจริตไม่เคยคดโกงใครแต่ผมก็ต้องมาถูกใส่ร้ายส่วนเจ้าคนที่มันใส่ร้ายผมมันหากินในทางทุจริตคดโกงเป็นชู้กับลูกเมียคนอื่นแต่มันกลับมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองมหาศาลขณะที่ผมจนลงจนลงแบบนี้ไม่เรียกว่าทำดีได้ชั่วทาชั่วได้ดีหรือครับ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 สังคมทุกวันนี้ถึงได้สับสนวุ่นวายก็เพราะคนพากันยึดถือค่านิยมผิดๆอย่างนี้แล้วคนที่ยอมลดตัวลงไปเป็นทาสของเงินยอมทำบาปทำชั่วเพราะเงินตัวเดียวอาตมาเห็นแล้วก็ให้รู้สึกสะท้อนสะเทือนในหัวใจแต่โยมเชื่อไหมละ่ะเวลาที่กฎแห่งกรรมมาให้ผล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 จะต้องตกนรกถึงจะเอาเงินสักสิบล้านไปจ้างย ม, มาบาลไม่ให้ลงโทษเขาก็ไม่รับจ้างเพราะเงินไม่มีความหมายสำหรับเขาฉะนั้นโยมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจว่าเราทำความดีแต่ทำไมถึงจนคนทำความชั่วกลับร่ำรวยแล้วก็ไม่ต้องไปอิดช้าคนชั่ว ไม่ต้องไปอิจฉาเขาเพราะคนพวกนี้น่าสงสารมากกว่าน่าอิจฉากดแห่งกรรมทำหน้าที่เมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นเขาก็จะรู้ละ ว, ว่าทำชั่วต้องได้ชั่วครับฟังหลวงพ่อแล้วผมสบายใจขึ้นมากเลยครับถ้าเช่นนั้นผมกับแม่บ้านขอกราบลาพรุ่งนี้จะมาเข้ากรรมฐ า, านนะครับ เจริญพรขอให้โยมจงหมดเคราะห์หมดโศกแล้วก็อย่าเปลี่ยนใจเส้นละถ้าไม่มาเข้ากรรมาฐานอาตมารับรองว่าต้องติดคุกแน่ครับเป็นตายยังไงผมต้องมาแน่ขอกลับไปเอาเสื้อผ้าก่อนนะครับคนทั้งสองกราบลาท่านพระครูแล้วลุกออกไปหน้าตาดูสดชื่นขึ้นเพราะมีความหวัง หลวงพ่อเจ้าคะ่ะอีชั้นไม่อยากจะพูดว่าขอให้หลวงพ่อช่วยแต่อีชั้นก็ไม่อยากโมษาเพราะที่มั น, นั่งรอคิวตั้งแต่เช้านี่ก็เพื่อจะมาให้ท่านช่วยเจ้าคะ่ะสตรีวรัยห้าสิบอารมพบทจะให้ช่วยอะไรลายโยมเอาเถอะว่าไปเลยไม่ต้องเกรงใจเพราะถ้าเกรงใจโยมก็คงไม่มาใช่ไหม แหมหลวงพ่อพูดแบบนี้คนฟังก็สะดุ้งแย่เขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกเป็นฝูงสตรีหน้าตาจิมเล็มผู้หนึ่งต่อว่าก็รือโยมว่าอาตมาพูดไม่จริงละ่ะที่อาตมาพูดมานั้นไม่จริงใช่ไหมท่านถามยิ้มยิ้มจริงค่ะแต่เป็นความจริงที่เสียดแทงใจคนฟัง หลวงพ่อไม่น่าพูดตรงๆอย่างนี้หญิงสาวตัดพอก็อาจตมาเป็นคนตรงจึงต้องพูดตรงๆอ้อมค้อมกับใครเขาไม่เป็นเอาละโยมมีอะไรก็ว่าไปท่านบอกสตรีวัยห้าสิบคืออย่างนี้เจ้าคาหลวงพ่ออีฉันแสนจะอึดอัดกลัดกลุ้มที่วิทหาความสุขสงบไม่ได้เลย บ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออกเจ้าค่ะโอ้โหขนาดพูดไม่ออกอย่างพูดได้คล้องจองกันถึงป่านนี้ท่านเจ้าของกุฏิออกปากชมไหนว่าวัดขูดหนะเป็นยังไงลองอธิบายให้อตมาฟังสิเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะคือว่าอีฉันมีอาชีพทํานา บ้านอยู่อ่างทองรายได้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพราะเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวน้ำท่วมความเป็นอยู่ก็ค่อนข้างขัดสนทีนี้สมพารข้างบ้านก็มาเรียรัยบอกปีนี้ขอเรียรยสร้างโบสถ์ห้าพันอีชั้นกับพ่อเด็กก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็พัดท่านว่ารอให้เก็บเกี่ยวขายข้าวได้แล้วค่อยให้พออีชั้นขายข้าวเสร็จ ท่านก็มาทวงทันทีแต่ทีนี้มันอย่างนี้สิเจ้าค้าหลวงพ่อนางหยุดเล่าด้วยเกิดความรู้สึกลังเลเพราะเรื่องที่จะเล่านั้นเกี่ยวพันไปถึงคนเป็นพระหากพระท่านเข้าข้างกันนางนั่นแหละจะเดือดร้อนมันอย่างนี้นะ่ะยังไงว่าต่อไปสิโยมฉันชักไม่กล้าเล่าแล้วละเจ้าค้าดีไม่ดี หลุงพ่อจะพลอยโกรธฉันไปด้วยคนเล่าพูดออกตัวรับรองอาตมาไม่โกรธอาตมาเลิกโกรธมาหลายปีแล้วโยมจะพูดอะไรก็พูดได้เลยเมื่อท่านพูดเช่นนี้นางจึงเล่าต่อไปว่าคือปีนี้อีฉันขายข้าวได้แค่สองหมื่น ก็ใช้นี่ใช้สินเข้าไปหมื่นหนึ่งเหลืออีกหมื่นหนึ่งก็ต้องเก็บไว้สำหรับก็ต้องเก็บไว้ทำทุนสำหรับปีต่อไปถ้าเอาไปทำบุญเสียห้าพันอีชั้นกับครอบครัวก็คงจะต้องลำบากอีชั้นก็เลยต้องต่อรองท่านว่าขอทำสองพันจะได้หรือไม่แล้วท่านว่ายังไงท่านไม่ยอมเจ้าค่ะท่านบอกพูดก็ต้องเป็นพูดโกหกพระโกหก เจ้าจะต้องตกนรกอีฉันก็กลุ่มใจกลัวตกนรกเจ้าค่ะหลวงพ่อช่วยบอกอีฉันทีว่าจะทํำยังไงแล้วโยมคิดว่าจะทํายังไงละ่ะท่านเจ้าของกุฏิย้อนถามอีฉันก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงสิเจ้าค่ะถึงได้มาเรียนถามหลวงพ่อนางหยุดคิดนิดนึงแล้วจึงพูดขึ้นว่า ไอ้ฉันจะทำอย่างนี้ได้ไหมเจ้าค้าทำยังไงโยมว่าไปสิอาตมากำลังฟังก็จะมาขอยืมหลวงพ่อสักห้าพันไปถวายสมพานท่านปีหน้าฟ้าใหม่หากไอ้ฉันเงยหน้าอ้าปากได้ก็จะเอามาใช้เจ้าค้าแปลว่าจะมายืมเงินวัดนี้ไปทำบุญวัดโน้นว่างั้นเถอะเจ้าค้า แม่โยมนี่เข้าใจแก้ปัญหานะแก้ปัญหาได้เจ๋าเลยท่านตั้งใจประชดแต่คนฟังกลับคิดว่าท่านพูดจริงจึงถามแปลว่าหลวงพ่อจะให้อีชั้นยืมใช่ไหมโจ ค, คะอาตมายังไม่ได้พูดอย่างนั้นโยมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดท่านรีบบอกหรือว่า หลวงพ่อกลัวอีชันจะโกงไม่โกงแน่เจ้าค่ะอีชั้นเตรียมโฉนดที่นามาให้หลวงพ่อด้วยพูดพลางหยิบโฉนดออกมาจากถุงกระดาษเอาละเอาละขอให้อัตมาพูดบ้างโยมฟังนะอัตมาไม่ได้มีอาชีพออกเงินให้กู้เพราะอัตมาเป็นสงย่อมไม่เป็นการสมควร ที่จะประกอบธุรกิจเช่นนั้นถึงโยมจะเคยเห็นพระวัดอื่นเขาทำกันแต่สำหรับอาตมาไม่เคยคิดจะทำเคยก็มีบ้างเหมือนกันที่อาตมาให้ญาติโยมยืมเงินแต่ก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยเพียงแต่จะช่วยสงเคราะห์ยามที่เขาเดือดร้อนแต่ในรายของโยม อาตมาไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องให้ยืมเพราะโยมไม่ได้เดือดร้อนอะไรการจะยืมเงินคนอื่นไปทำบุญนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแล้วโยมก็จะไม่ได้บุญอีกด้วยญาติโยมทั้งหลายโปรดจำไว้การทำบุญชนิดที่เรียกว่าเมาบุญนั้น ไม่ได้บุญแน่นอนเราต้องทำตามกำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์ที่เรามีอยู่หากทำแล้วตัวเองต้องเดือดร้อนจะไปได้บุญอะไรจริงไหมจริงครับบุรุษผู้หนึ่งตอบแล้วเขาก็ถามอีกว่าแล้วสมพานวัดนั้นจะได้บุญหรือครับหลวงพ่อบังคับให้คนอื่นเขาทาบุญผมว่าไม่น่าจะได้บุญ ไม่ได้แน่นอนเพราะเท่ากับทำให้เขาเดือดร้อนอย่างน้อยๆก็ทำให้เขาทุกข์ใจจริงไหมโยมท่านถามเจ้าของเรื่องจริงเจ้าค่ะอีฉันนอนไม่หลับมาหลายวันถึงได้ตัดสินใจมาหาหลวงพ่อกลับไปนี่ก็หายกลุ่มนะอย่าไปกลุ่มเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้ว อีฉันจะไปบอกสมภารวัดนั้นยังไงดีเจ้าคะก็บอกอย่างที่อาตมาพูดนี่แหละแต่อย่าไปอ้างชื่ออาตมาละประเดี๋ยวท่านจะมาโกรธอาตมาอีกคนบอกท่านไปว่าโยมมีศรัทธาแค่นี้ก็จะทำเท่านี้แหละรับก็รับไม่รับก็แล้วไปบอกอย่างนี้ไม่บาปหรอก แล้วก็ไม่ตกนรกด้วยจริงหรือเจ้าคะแม้อีชันโล่งใจจริงจริงกลัวตกนรกนะเจ้าคะเมื่อท่านบอกว่าไม่ตกอีชันก็ดีใจถ้า ง, งั้นอีชันกราบลา น, นะเจ้าคะเจริญพรทีนี้โยมก็เลิกบ่นได้แล้วนะไม่ต้องไปบ่นว่าบ้านก็ขัดวัดก็ขูดพูดไม่ออก เพราะถาดทางบ้านกําลังขัดสนแล้วทางวัดยังมาขูดโยมจะต้องพูดอย่าไปทำเป็นพูดไม่ออกแล้วก็เก็บมากลุ่มอกกลุ่มใจแบบนี้เข้าใจหรือเปล่าเข้าใจเจ้าค่ะต่อไปนี้อีฉันจะกล้าพูดแล้วเจ้าค่ะกราบลานะเจ้าค่ะสตรีวัยหลุกออกไปแล้วก็ถึงคิวของบุรุษวัยก หลุงพ่อครับลูกชายคนเล็กผมไม่เอาทานเลยครับส่งไปเรียนหนังสือกรุงเทพก็ไม่เรียนประพฤติตัวเกกมเรกเกเรขอแต่เงินหลุงพ่อช่วยหน่อยเถิดครับท่านพระครูพิษใบหน้าของเขาแล้วรู้สึกคลับคลายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอายุเท่าไร่แล้วละ่ะลูกชายที่ว่านี่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 สมัยที่เรายังเป็นเด็กหนอ้อนี่แกก็มาขอความช่วยเหลือเราได้โอกาสชดใช้กรรมอีกแล้วหนอ้อพรุ่งนี้พามาหาอัตตมาท่านสั่งเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงถามเขาว่าโยมมีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ขายแล้ว เลิกมาได้สักสิปีเขานี่แล้วทำไมเลิกเสละ่ะมันขายไม่ค่อยดีครับผมเลยหันไปซื้อขวดมาขายกำไรดีกว่ากันเยอะอ๋อสมัยอาตมาเด็กก็เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวโยงกินทุกวันท่านเล่าความหลังต่อหน้าทารกกำนันเช่นนี้ท่านยังไม่บอกหรอกว่าเงินที่ใช้ซื้อนั้น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 ก่อนที่ผมจะเลิกขายราคาขึ้นมาจานละห้าสิบสตางค์ถ้าใส่ไข่เจ็สห้าสตางค์การสนทนาระหว่างท่านพระครูกับอดีตพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยทำให้ผู้ที่นั่งฟังรู้สึกหิวแล้วก็เหมือนกับสวรรค์โปรดเมื่อท่านเจ้าของกุฏิพูดขึ้นว่าได้เวลาอาหารกลางวันแล้ว ขอเชิญญาติโยมทุกท่านไปรับประทานอาหารกันให้อิ่มหนำสำราญเสียก่อนวันนี้แม่ครัวเขาทำกุ้ยเตี้ยวผัดไทยเลี้ยงที่ท่านทราบเพราะเห็นหนาอบอก